เวลาเราอยู่คนเดียวจิตใจของเรามันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาบ้างให้มันรู้ธรรมชาติของจิตแต่มันรวดเร็วแต่ต้องอาศัยกำลังของสมาธิการที่ดูจิตเนี่ยเขาเรียกว่าพินาอารมพินาจิตชนิดหนึ่งจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานแต่ว่ากำลังจริงๆนั่น มันสามารถพิจารณาขันห้าได้ทั่วถึงไหมมันเคยเห็นไหมขันห้าการทำงานของขันห้าของเรากายเวทนาจิตธรรมสภาวะธรรมารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นความรู้ชนิดหนึ่งที่เราเคยสะสมมามันโผล่ขึ้นมาสอนเรา เขาเรียกทรมรมเป็นประเภทความรู้ของเราเองที่มันฝังอยู่ในจิตของเราหรือว่าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วจิตของเราพอมีสมาธิบ้างมันก็ออกไปพิจารณาเข้ามาได้มันก็พูดขึ้นมาคิดขึ้นมาได้อันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสติปัฏฐานสี่เหมือนกันก็เป็นอยู่ในขันห้าใช้ได้อยู่ อยู่ธรรมดาก็ทันจิตตัวเองไหอยู่กับบ้านกับเรือนทันบ้างไม่ทันบ้างอยู่กับบ้านกับเรือนความทุกข์ก็ลดลงไปบ้างดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็อยู่ในเส้นทางของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีคุณประโยชน์ต่อจิตใจเวลานั่งภาวนานี่ จิตมันอยู่กับเราตลอดไหมต้องเอาให้มันอยู่ให้ได้นะให้มันเข้ามาดูในนี้สติปัฏฐานสี่ขันห้าให้มันอยู่ขันห้าไม่เพ้อไปไหนอยู่กับงานตรงนี้สมาธิที่เราต้องการจริงๆคือสมาธิที่อยู่ในอำนาจของเราจิตนี่ยอยู่ในอำนาจของเราเราให้มันดูอะไรต้องไปดูให้มันรู้าเราอยากให้มันดูขันห้าต้องอยู่ในขันห้านี้ไม่ให้มันคาดเคลื่อนไปทางไหน ถ้ามันเนืองมันซึมแสดงว่ามีนิวรณ์เราข้ามมันได้ไหมถ้าข้ามได้แสดงว่าจิตเรามีกําลังถ้าข้ามไม่ได้แสดงว่าเราอยู่ในอํานาจของนิวรณ์กำลังสมาธิไม่พออันนี้เมื่อก้าวหน้าถึงนี้แม้ว่าในธรรมดานี้เราสามารถเห็นจิตได้บางอะไรบางอันนี้แค่พิจนาะอารมณ์ธรรมดาเล็ก ๆ, ๆน้อยๆกาลังจิตไม่พอกําลังความตั้งมั่นไม่พอถ้ากําลังความตั้งมั่นพอ เวลาอยู่ในสมาธิต้องเห็นขันห้าชัดเจนเห็นการทำงานของขันห้าลูกมันอยู่ยังไงเวทนามีไหมในร่างกายจิตใจมีเวทนาทางจิตไหมมีไม่คิดปรุงแต่งอะไรไหมจิตมันยินดียินายรู้ทันมันไหมมันมีอาการขยับเยื่อนเคลื่อนไหวรู้ทันมันไหมมันปล่อยวางได้บ้างไหมเห็นไหมว่ามันปล่อยมันวางมันเห็นอันิจังทุกขังอันตามไหม หรือถ้าหาว่ามันเห็นอะไร น, นีงทุกขก์ขังนรตาเอออันนี้มันเห็นเป็นวิปัสนาแล้วมันเป็นปัญญาญาแล้วพราะฉนนั้นจุดสำคัญก็คือให้ผ่านนิวรณห้าให้ได้ผ่านนิวรณห้าได้แล้วคราวนี้ให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆขยายความรู้สึกตัวกว้างขวางออกไปอะไรเกิดขึ้นให้รู้ นี่เรียกว่ามันขยายความรู้ตัวออกไปมีสติมีสัมปชัญญะการที่มันจะรู้าอารมณ์อะไรได้ก็แสดงว่าจิตของเรามีความมั่นคงมีความตั้งมั่นคาว่าตั้งมั่นนีไหมว่าจิตเนี่ยมันเป็นสมาธิมันเป็นกลางอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็ยังรักษาความเป็นกลางอยู่มันไม่ไปยินดียินร้าย ร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าปัญญามันทันมันเร็ง ม, มันต้องรู้อันนี้เป็นเรื่องร่างกายเท่านั้นถ้าว่าเราอยากจะให้มันสงบอยากให้มันดีอยากให้มันเป็นอย่างที่มันเคยเป็นอ้าวะสดงความอยากนำหน้าแล้วเราหลงแล้วเราไปยึดของเก่าพออะไรเกิดขึ้นไปอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมก็เลยกังวลกลัวแต่ถ้าหาว่าปัญญาเราถึงมันอ้าวอันนี้เรื่องร่างกายเท่านั้นนี่ รักษาจิตไว้มันจะบีบจกคันจะเป็นอังไงกระช่างมันเป็นเครื่องทดสอบเพื่อให้เราเนี่ยแก้จิตเราได้มีปัญญายาณเกิดขึ้นมีต้องหลักๆทำพุทพเธเจ้านี่ต้องเร็วมากเลยนะมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียดายเอาอย่างนี้เลยอะไรเกิดขึ้นไม่ให้มันมาเกิดความยินดียินร้ายในจิตของเหล่านี้นี่ลหลักๆแท้ๆจริง ก็แสดงว่าเราต้องมาแก้ที่จิตของเราเพราะนั้นตัวสัมมาสมาธินี่สำคัญเพราะ น, นเวลาเรานั่งสมาธิต้องทำยังไงก็ได้ให้จิตเรามันตื่นไว้อย่าให้มันง่วงอย่าให้มันซึมอย่าให้มันหลับถ้ามันหลับวันนี้ต้องแก้ไขนะงั้นไม่ก้าวหน้านะ มันไม่กานะ่าหนากำลังมันไม่พอตราบใดที่มันยังปล่อยวางกายไม่ได้หมดจดมันก็ปล่อยวางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ได้มันจะเข้าไปหาจิตที่แท้จริงไม่ได้เพราะมันยังจิตอารมณ์อยู่อารมณ์พวกนี้ต้องขาดออกไปให้หมดนี่มันถึงจะจาะเข้าไปหาจิตอย่างเดียววันนี้พูดพูดเรื่องการ สภาวะธรรมของการปฏิบัติเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นก็คือทอํายังไงก็ได้ให้จิตอยู่กับตัวเราซะก่อนอันนี้ต้องรู้จักขั้นตอนของการปฏิบัตินะสติเบื้องต้นกรรมฐานเบื้องต้นก็คือทอํายังไงก็ได้ให้จิตอยู่กับตัวเราก่อนเมื่อจิตอยู่กับตัวเราแล้วให้มันอยู่ได้นานขึ้นก็คุมมันต่อไปเมื่อคุมมันได้แล้วทีนี้มันวางแล้วทีนี้เนี่ยขั้นต่อไปมันจะวางแล้วนะ เคยบริกรรมมันก็ไม่อยากบริกรรมแล้วเคยดูลมมันก็เหมือนกับถอยออกมาจากลมแล้วเคยพุทโธมันก็ไม่อยากพุทโธมันอยู่เฉยๆนี่คือมันวางอารมณ์มันมันมันเริ่มเป็นกลางแล้วมันเริ่มกมีกําลังแล้วมันดูเฉยๆได้แล้วคราวนี้ก็มาดูกายเวทนาจิตธรรมนี่เจริญสติปัฏฐานสี่แล้วทีิมหรือมาดูขันห้าได้แล้ว ดูลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตดูทีนี้ถ้าหากว่าคนที่เคยเจริญสมถะมามันจะไม่ชอบมันก็อยากหลบเข้าไปอยู่เฉยเพราะมันสบายอันนี้เราก็ต้องบังคับต้องหาทางให้มันออกมาไม่งั้นกำลังไม่ถึงกันกำลังไม่พอนะ มันมีแต่พักมีแต่พักเหมือนเหมือนเหมือนคนจะไปทำงานเน่ะกินอาหารเสร็จเรียบร้อยพักผ่อนหลับนอนเรียบร้อยมีดคมมือเรียบร้อยแต่ว่ากำลังไม่มีเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายมีแต่หลับมีแต่นอนกินแล้วก็นอนพักผ่อนไม่ยอมไปตัดต้นไม้สักทีนึงต้นไม้ก็เลยไม่ขาด เราอยากปล่อยวางขันหะอยากปล่อยวางกายเวทนาจิตเราก็ต้องให้มันทํางานคือเอามาดูให้มันเห็นว่าไม่ใช่ของเรานี่คืองานนี่แหละกําลังจะตัดความเห็นผิดความหลงผิดเหมือนคนจะไปตัดตนน้นไม้ยืนพักผ่อนหลับนอนมีกําลังวางชาเรียบร้อยรับประทานอาหารมีกําลังพักผ่อนเรียบร้อยแล้ว นี่เราว่ามีสติมีสมาธิยืนบนแผ่นดินอย่างมั่นคงมีพวกศีลพวกความดีทั้งหลายฝ่ายกุศลที่เราทำยืนบนแผ่นดินอย่างมั่นคงจับมุกหรือขวานที่รับอย่างดีแล้วนี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่เราเรียนรู้มาศึกษามาเข้าใจหมดแล้วคราวนี้ฟันฟันนี่ก็คือดูจ่อเข้าไปดู ว่านี่ไม่ใช่ของเราแน่นอนนี่เรียกว่าฟันฟันฟันด้วยปัญญาเอาปัญญาฟาดฟันขันห้าดูขันห้าดูดูแล้วก็ต้องต่อเ น, นื่องมันอยากลงไปพักไม่ให้มันเข้าไปถ้ามันเข้าไปเมื่อไหร่แสดงว่ามันหยุดทำงานมันแอบไปนอนพักแล้ว มันไม่ทำงานไม่ติดต่อทำนิ่งๆหน่อยเดี๋ยวมันก็ไปหยุดเสียไปนอนใช้อยู่งานการก็ไม่เดินหน้าแต่ถ้าใครสามารถให้มันทำงานต่อเนื่องให้มันดูมันอยากพักเอาถ้ามันจะพักต้องให้มันพักอยู่ในขณะทำงานอยู่นั้นไม่ว่ามันรู้รอบอยู่และก็พักอยู่ได้ไม่ใช่พักหลบเข้าไ้นิ่งอยู่เฉยๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในพวงังอย่างนี้ แสดงว่ามันไม่ทํางานก็ต้องให้มันออกมาเอากันใหม่ขึงไว้เลยคืออหลรวนเวียนอยู่ใน เ, เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมหรือว่าลูกเวทนา ส, สัญญาสังขารวิญญาณบางทีมันเข้าไปพักก็ น, นึกว่าเออมันทํางานแล้วมันไปพักไม่ใช่มันต้องพักอยู่กลางงาน ให้มันรู้อยู่ทามันรู้อยู่แล้วมันพักพักทั้งทั้งที่มีความรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อันนี้เรียกว่ามันมันทำงานแล้วมันพักก็จริงแต่มันไม่ใช่ไปหลับมันพักก็มันก็ตรวจสอบดูแลนูน่นนี่อยู่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดหายเหนื่อยพักพร้อมมันหายเหนื่อยพอหายเหนื่อยแล้วลุกขึ้นมาเอาใหม่อีกไม่ใช่ไปพักหลับเป็นชั่วโมงเป็นวัน เสียเวลาเหมือนกับมันไปหลบอยู่อันนี้ไม่ให้หลบให้ดูงานไว้พักอยู่รู้ตัวอยู่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ย น, นี่หมายว่าขั้นตอนนี้มันจะต้องมีสติดีแล้วควบคุมจิตอยู่กับตัวเราได้แล้วแล้วก็พัฒนาจนสมาธิมีกาลังเพิ่มขึ้นมาแล้ว แล้วเราก็เอามาดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราเทอดูกายอย่างร่างกายเรานั่งอยู่ขณะ น, นี้มันเป็นยังไงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนพระพระนอนป่วยอยู่นี่ท่านบอกไม่นานหนอกก่นี้พาเนแน า, นาจิตจ่อเขาไปทันทีเลยนะเนี่ยคำพูดของพระเจ้าเนี่ย ดูก่อนพิสูจไม่นานหนอก g ายนี้จิตของพิสูปั๊บเข้าไปดูเลยตามเลยตามเลยเมื่อปราศจากวิญญาณก็แสดงว่าตอนนั้นพระก็เห็นแล้วว่าจิตเนี่ยคือตัววิญญาณตัวดูอยู่เนี่ยคือตัววิญญาณมันไปดูอะไรมันดูร่างกายไม่นานหนอกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณจากนอนทับบนแผ่นดินก็แสดงว่ากายเนี่ยกับจิตแยกจากกัน ถ้าหาว่าพระนี้ตายเมื่อไหร่นอนป่วยอยู่วิญญาณมันแยกออกมาแล้วถ้ากายนี้ไม่มีวิญญาณก็จักนอนทับบนแผ่นดินไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้ในขณะนั้นจิตของพระมีอย่างเข้าไปแล้วนี่แยกกายออกมาจากจิตเห็นกายด้วยเห็นจิตด้วยมีเวทนาชนิดไหนก็เห็นด้วยเนี่ยแล้วก็รู้สึกด้วยว่าไม่ใช่ของเรา นี่มันเห็นเวลาเวลากำลังสติ ก, กาลังกำลังมันมันพอเนี่ยมันเห็นไปพร้อมกันเลยนะสติปัฏฐานสีเนี่ยเห็นกายก็เห็นจิตได้มีไหมว่าอันนี้ท่านปฏิบัติมาสะสมบารามีมาแล้วก็อยู่ในสำนักพระพุทธเจ้านอนป่วยพระพุทธเจ้าก็เมตตามาดูแลแล้วก็สอนกรรมฐานพวกรายำลงไปอีก ดูก่อนทิกสุไม่นานหนอกกยนี้พาท่านกับยังเข้าไปดูไปพร้อมๆกันเลยเมื่อปลาจากวิญญาณถึงไม่มีจิตคนตายแตบจิตมันไปบางคนอุ้ยผมมีใครตายร้องไห้ลำพึงลำพันเอจะเป็นลำพึงลำพันทำไมกับทรากส่งนั้นจิตเขาไปเกิดแล้วชาวพุทธเรานี่อย่าไปร้องไห้กับคนตาย มันแสดงถึงความงุ๊บจำไว้นะลูกหลานก็ตามพ่อแม่ก็ตามใครตายก็ตามสามีก็ตามมันไม่ได้ตายเขาจะไปเกิดแล้วเขาจะไปเกิดแล้วบอกกับตัวเองสอนกับตัวเองอย่าไปร้องโมงมร้องไห้เคยสมัยทำงานอยู่เพื่อนเพื่อนเป็นอาจารย์สอนด้วยกันก็มีแฟนเสร็จแล้วอาจารย์นี้เขาก็ขับ รถวันนั้นฝนตกหนักเขาก็จะรีบมาสอนขับรถผ่านทางรถไฟถนนขบวนรถไฟวิ่งมาพอดีเลยนะมันก็มีไอ้ที่กั้นด้วยนะแต่ว่าเขาไม่เห็นเพราะฝนตกหนักผู้ชนที่กั้นรถไฟไปก็ไปเครื่องก็ไปดับไอ้ตรงที่ลางรถไฟพอดีเลยรถไฟวิ่งมาพอดีเลยชนเปลี่ยงเข้าให้รถกระเด็นออกไป ตายคาที่เขาก็ศพไปไว้วัดข้างที่ทํางานนั่นแหละเสร็จแล้วแฟนของอาจารย์ก็มารถน้ําศบกันก็ยื่นมือออกมาอรถน้ําไปคิดถึงคิวที่แฟนขึ้นไปรถอ่ะโอ้แต่กอดศบนะอาจารย์เขาก็เรียกอาจารย์อาจารย์ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา ก, กุ๊กคิดจะอยู่กับใคร กูคิดจะอยู่กับใครโอยหนาฉันสารมากเลยนะเราบอกเฮ้ยถ้าลุกขึ้นมาจริงๆนี่ะกูก็ <c oughs> ไปก่อนเลยว่ะพวกเราก็ขำกันนะันจะหนุ่มๆอยู่นะเหมือนันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกีิดๆหน่อยภาวานาเล็กๆน้อยๆยังไม่เคยรู้เรื่องแต่พูดกันคําขันไปเลยเฮ้ยถ้าลุกขึ้นมานี่กูไปก่อนแนะ่ <c oughs> มาคิดอยู่เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นร้องให้กระซับสมไม่ไเข้าท่าจริงๆนะแม่ก็เหมือนกัน บางทีแม่อลูกตายโอ้ยไปกอดลูกกอดด้วยจูบด้วยนะจูบซกศพถ้าหากว่าคนนั้น่ะเขาไปตรวจเป็นเทวดาแล้วเขาศิษถึงแม่เขามายืนดูอยู่่ะเขาตายใหม่ๆมีความสัญญาเขายังมีนะมาเห็นแม่โอ๊ยแม่กูทำํำไมโง่อย่างนี้นะกูอยู่นี่ข้าพเจ้าอยู่นี่แม่ลูกอยู่นี่แม่ก็ไปกอดซาศพอยู่ ทั้งกอดทั้งจูบแล้วมันเข้าท่าหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เข้าท่านะเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องรู้ให้ทั่วถึงว่าร่างกายนี่น่ะเรายืมมาใช้ชั่วคราวเฉยแต่ก่อนไม่มีทุกคนที่นั่งอยู่นี้แต่ก่อนไม่มีหรอกชาตินี้ไลยมีที่ไหนอ่ะทานพ่อถานแม่เชื้อของพ่อกัะไคของแม่ไปพบกันปั๊บ จิตวิญญาณอยู่ไหนไม่รู้ได้จังหวะแล้วจิตวิญญาณดวงนั้นนะ่ะกรรมพอดีกับการที่เรามาเกิดกับแม่คนนี้ด้วยกับพอ่อกับแม่คนนี้มีคนนี้เป็นพอ่อมีคนนี้เป็นแม่ไปที่วิญไม่ไปรอจังหวะอย่างเดียวคอยจังหวะพอเชื้อพ่อปับ๊บเข้าไปบรรจบ ก, กับไข่ปับ๊บเนี่ยผสมกันรเรียบร้อยจิตวิญญาณปั๊บเข้าไปพปร้อมกันทันทีเลยนี่แหละการเกิดเกิดขึ้นตรงนี้ พอทีนี้ก็อาศัยอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปเข้าไปทางสายลกกเป็นเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาเออโตขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่าแต่ก่อนยังไม่มีว่างเปล่าเลยแต่ว่าอาศัยธาตุพ่อท่านแม่เชื้อพ่อไข่ของแม่บรรจบกันจิตติญญาณได้จังหวะพอดีก็เลยเข้าไปอาศัยอยู่ ถ้าาพ่อท่านแม่พบกันแต่ไม่มีวิญ ญ, ญาณไปอาศัยเจ็ดวันมันจะดฟอเลยนะไข่เนี้ยฟอตกเลือดออกมาเป็นเลือดเสียทิ้งไปอยู่ไม่ได้ต้องมีจิตวิญญาณด้วยอาศัยในจิตวิญญาณนั้นอะ่ะเคยทำกรรมดีมาเคยกรรมํำกรรมชั่วมา ความรู้สึกก็จดจำเอาไว้ว่าทํากรรมดีก็กูทํานี่มีเราแล้วนะมีเราแล้วนะั้นเราทําดีอันนี้เราทําไม่ดีฝังเอาไว้ในจิตสงบก็เราสงบมีฝังไว้ในจิตหมดพอมาเกิดไถยเคยฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์มากร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงและทีนี้โรคภัยไข้เจ็บก่ อ, อกมากพิกลพิการเป็นธรรมดาเลย นีไลายกรรมนั่นแหละมันสร้างร่างกายขึ้นมาพวกเรานี่โชคดีนะเนี่ยสแสดงว่ากรรมเนี่ยยังดีกรรมดีมากกว่ายังสามารถทำให้ได้ร่างกายที่สมบูรณ์ครบอาการสามสิบสองทีนี้ก็มาตรวจสอบว่าเราโลกภัยแค่เจ็บมากหรือน้อยถ้ามันหลกภัยมากก็ออยอมรับความจริงเสียนี่แหละนี่แหละ การที่เราเบียดเบียนสัตว์อื่นมากมือเตื่อนเลือดชอบถือศาตราเบียดเบียนสัตว์อื่นไร้ความเมตตาการุณาเนี่ยพระเจ้าบอกไว้อย่างนี้นะไปอ่านได้เลยนะเนี่ยประเภทกรรมปาณาติบาตมีจิตใจโหดเหี้ยมพระเจ้าบอกมีจิตใจโหดเหี้ยมมีมือเตื่อน โลหิตชอบใช้ศาสาตราฆ่าฟันเบียดเบียนสัตว์อื่นประหัตหารสัตว์อื่นเมื่อเกิดมาแล้วมีโรคภัยไ ข, ไขเ้เจ็บมากถ้าชอบฆ่าฟันมากๆพวกนี้อายุกสัตว์อายุไม่ยืนนีแรงอำนาจของกรรมมันครอบคุมอยู่ คุณภาพของจิตอืก็กรรมนั่นแหละ ท, ที่ติดมานั่นแหละที่สะสมเอาไว้้ยาวนานมากเลยนะไม่รู้เกียร์สงขขยอะมันก็รอหลอมเข้ามาอยู่ในจิตของเรานี่แหละเป็นคุณสมบัติคุณภาพจิตของเราเนี่ยการที่เราได้มาฟังทำรร ม, มาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นกรรมดีละแล้วยก็ต้องมีกรรมดีด้วยจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เดียกวกับเป็นสุขติสุขติภูมิเนี่ยแดนมนุษย์เนี่ย แล้วสิ่งที่มันให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้เขาเรียกเศษกรรมไม่ใช่กรรมจริงๆนะครับกรรมจริงๆไม่ใช้กรรมในนะรกสัตว์เวลชานเปรตอสุรกายแต่ในแดนมนุษย์นี่เป็นแค่เศษกรรมเนี่ยเศษกรรมเรายังหนักขนาดนี้คิดดูกันแล้วกันเพราะนั้นพูะเจ้าก็สอนให้เจาะเข้ามาทีนี้เวลาเจาะจากกรรมอาผู้เจ้าบอกเลยนะเวลากำรรมามให้ผลเนี่ย มันจะให้ผลได้หกทางหนึ่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจถ้าใครระวังหกทางนี้ได้นะรู้ทันกรรมเลยใช้กรรมได้ทันทีเลยเพรานะนั้นคนเกิดมา ก, กรำเก่าสิ่งที่ได้มาเพราะกรรมเก่าคือตัวเรานี่แหละคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อรองรับกรรม อำนาจของกรรมผักดันให้เรามาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยอาหารก่อนด้วยอำนาจของกรรมคอยสร้างกายสร้างรูปสร้างขันห้าขึ้นมาเวทนาสัญญาณสัสขงขารยิญญนยาณคุณสมบัติพวกนี้ได้มาเพราะอำนาจของกรรมเวลาจะรับกรรม ทำให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นการมีตาหูจมูกดิ้นกายใจเพื่อลองรับกรรมแล้วมันให้ผลเวลาไหนทีนี่เวลาที่มันกระทบอารมณ์เพราะนั้นเวลาไหนที่เรากระทบอารมณ์แล้วรู้สึกแหมไม่ค่อยสบายใจเลยปั๊บขึ้นมาเนี่ยใจเริ่มไม่สบายแล้วนี่คือมีเวทนาพอกระทบอารมณ์ปั๊บเขาเรียกมีผัสสะมีการทํางานของจิตเป็นอย่างนี้นะ กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วใจละ่ะใจมันนึกอารมณ์ขึ้นมาก่อนเขาเรียกทํามารมแล้วไปกระทบใจอีกทีหนึงตัวจิตเนี่ยมันนึกอารมณ์ขึ้นมาปับ๊บนึกเรื่องขึ้นมาปับ๊บแล้วเรื่องนี้ไปกระทบใจอีกทีนึงมันเหมือนกับมีลูกแล้วกระทบใจตัวเห็นเนะ่ยคือตัวใจตาเห็นแต่ว่าเวลาจิตเนี่ยมันออกมารับเขาเรียกจักคูวิญ ญ, ญาณน่ะตัววิญญาณตัวจิตนะ่ะกระทบจิต จิตมันจะออกมารับทันทีเลยหูกระทบเสียงปั๊บตัวจิตไม่รู้อยู่ไหนมันต้องวิ่งไปทันทีเลยแต่ก่อนไม่มีไม่มีโสตาวิญญาณยังไม่เกิดแต่พอกระทบปั๊บมันวิ่งมามันมารับนี่อมันมาเกิดเขาจริงถ้าดูจริงๆนี่จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันทํางานมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเร็วรวดเร็วจริงๆเลยนะทีนี้คนเราไม่เห็นตรงนี้อ่ะไม่เห็นว่าขันห้านี่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลา นี่แหละที่มันหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงพ่ําสอนแล้วแล้วแล้ ว, ล ว, ลวอยากให้คนเห็นถ้ามันไม่เห็นเนี่ยฟังยังไงก็ตามมันไม่เข้าไปถึงจิตจิตมันปล่อยวางไม่ได้แต่การที่ฟังแล้วเราเชื่อเออนี่แหละนี่แหล ะ, หละพอมีความศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้ามีจึงเรียวว่ามีบุญมีบา ร, รมีมาก ยังไม่เห็นไม่เป็นไรเชื่อไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติเข้าไว้ที่นี่เรียนปฏิบัติตั้งแต่มีสติรักษาจิตให้เป็นสมาธิให้จิตอยู่กับตัวเราให้มากๆอยู่แล้วก็ให้มันมาดูให้มันพยายามที่ให้มันอยู่ในขันห้าเพื่อให้จิตมีกําลังจนมันมารู้การทํางานของขันห้านี้ปัญจุปาทานาขันทาดุกขะนี่แหละอุปทานในขันทั้งห้านี่คือตัวทุกข์มันมีอุปทานมันมีเรา มันก็เลยเวลากระทบอเรามันก็เลยกระทบจิตเราแล้วมันก็เป็นทุกข์เวลากระทบอารมณ์ปับ๊บมันจะมีเวทนาเกิดขึ้นขึ้นอยู่กกรรมสบายหรือไม่สบายถ้าทันตอนมันกระทบมันก็เป็นกลางเสียเชยเฉยเหมือนไม่มีการกระทบเป็นกลางๆดูเฉยเรู้อยู่เฉยเฉยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามทางกายบีบคั้นขนาดไหนถ้าสามารถเราบอกกับเราได้ว่าจิตเราเนี่ยมันเป็นกลางๆอยู่นะมันเฉยเฉยอยู่นะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะ มันจะรุนแรงขนาดไหนก็ตามจะเห็นจิตไม่เห็นจิตก็ตามแต่ว่าเราไม่เราสามารถบอกได้ว่ามันไม่ได้มีความยินดียินร้ายอะไรจ่อเข้าไปหาจิตแบบนี้มันไม่ยินดียินร้ายกับอะไรไม่มีเหตุผลที่จะไปยินดยินร้ายก็ให้มันดูเฉยๆสิมันเรื่องร่างกายก็เป็นร่างกายไรมันจะบีบคั้นยังไงมันจะบรหนักจะเบามีหรือไม่มีมันหายมีแล้วหายไปกระชั่งหัวมัน แต่จิตของเราบอกกับตัวเองได้ไม่ยินดีไม่ยินไล่แน่นอนแค่นี้ก็แสดงว่าเราปลารบจิตได้แล้วเราเห็นอาการของจิตเราแล้วไม่ช้าหรอกอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เราเข้าหาจิตได้จริงๆก็ดับนี่มันแปลกตรงนี้นะเพราะนั้นพระเจ้ายึงสอนหลักการเอาไว้เลยต้องไม่ยินดีไม่ยินไล่แต่เวลามีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะเรารู้ไม่ทำดินีตายแล้วมันเสื่อมแล้วเอ๊ะ ทำไมมันเคยเป็นอย่างนั้นทําไมมันจึงไม่เป็นอีกทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นนี่คืออยากให้เป็นอย่างเดิมมันยึดโดยมันรู้ตัวนะมีความรวดเร็วของความอุปาทานเนี่ยเพราะนั่นมันจึงเป็นทุกข์เพราะมีอุปาทานแล้วอุปาทานรวดเร็วเราว่าเราจะไม่มีละโอ้โหแต่จิตนี่มันมันไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นอุปาทานแล้วก็ต้องฝึกฝนไปจนมันทันวันใดวันหนึ่งมันต้องทันอาการของจิตทั้งหมดนี่แหละ ก็จะเห็นมันชัดๆล่ะว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันไปยึดนั่นยึดนี่แล้วเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วนี่แหลสะสาเหตุแห่งทุกข์สมูทัยนี้คือสมูทัยให้ละหนีดีบละดีบตัดบันทอนมันเพราะฉนั้นเมื่อกระทบอารมณ์ถ้าทันตอนแรกปับ๊บจิตเราเป็นกลางอยู่มันก็ผ่านไปเฉยๆยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้าเอาไม่ทันตอนกระทบเอามีเวทนาขึ้นแล้วทันอีก สบายไม่สบายก็รู้ทันปรุงแต่งต่อไม่ได้พอรู้ทันแล้วจิตก็เป็นการต่อไปนี่คือใช้กรรมไปปอหนึ่งแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากเอาอยากได้อยา ก, ยากนี่อยากเป็นวุ่นวายอยู่กับมันแต่ทันมันปับป๊บปับ๊ ป, ป๊ดับไปดับไปอ่าไม่มีปัญหาอะไรนี่เรียกว่าอยู่ในขั้นตัญหาไอ้ความอยากได้นู่นได้นี่ไม่เสียหายอะไรถ้าเรารู้ทันมันเราไม่ได้ไปทําตามมัน เท้มันไม่สบายขึ้นมามันก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากเห็นอยากให้มันถูกทําลายไปอยากมันฉีกหายวายป่วงแต่ทันมันทันมันไม่ให้มันปรุงบ่อยไม่ให้มันปรุงมากรู้ทันแล้วดับไปมีกรรมเก่าเหมือนกันมีอยู่ในขั้นกรรมเก่าอยู่นะพวกเนี้ยหนอาการของจิตเนี่ยบางทีมเป็นเรื่องของกรรมเก่าเราแค่ดูเฉยๆเหมือนจึงบอกว่าเออแค่อาการของจิตแค่กรรมเก่า แค่ความรู้สึกภายในจิตความเคยชินภายในจิตมันเคยสั่งสมอารมณ์แบบไหนไว้มันก็ชอบปรุงชอบแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทานกันาบางทีถ้านั่งสมาธิอยู่มันไม่ได้เห็นล่ะตาก็ไม่ได้เห็นหูได้ยินบางทีเอา้า ไ, ไม่สนใจข้างนอกแต่ที่ตัวจิตตัวจิตมันนึกขึ้นมานี่ทำอารมณ์ปั๊บมาแล้วนึกเรื่องเก่าๆ เ, เรื่องอดีตบ้าขึ้นมา เคยโดนสามีเตะสีข้างสีข้างดอกเข้าโรงพยาบาลโอ้โหเจ็บใจนั่งภาวนาไปนึกถึงตอนที่สามีเตะสี่โค้งดอกแม่เจ็บใจปั๊บนี่นี่คือมันนึกขึ้นมาอารมณ์ที่นึกนั่ น, นมากระทบใจกระทบใจแล้วกเกิดความโมโหแล้วที่นี่ไม่สบายขึ้นมาแล้วถ้ารู้ทันก็ดับ มันผ่านไปแล้วจบไม่เป็นไรเออใช้กรำใช้กรำเราเคยเตะเข้ามาแต่ก่อนเราอาจจะเป็นสามีเขาเตะเขาเขาก็ซี่โคงอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้ตอนนี้ถูกเตะไม่เป็นไรใช้กรำไม่ปรุงต่อแล้วพอแต่ทีนี้มันเอาไม่อยู่ทีแม้ไอเวเนยนึกไปเหมือนเรื่องก็ไม่เท่าไหร่เลยก็แค่มันไปเที่ยวดึกมันกลับมาช้า เราก็สงสัยว่ามันไปมีกิ๊กอ่ะแค่ถามนิดเดียวอ่ะเมื่อมันเตะเราเนี่ยแสดงว่ามันต้องไปแน่เลยอ่ะไม่งั้นมันจะลงไม้ลงมือขนาดนี้เหรอทําไมมันต้องโมโหมากขนาดนี้เจ็บใจขึ้นมาหนักกว่าเก่าอีกมือนเมือต้องหาทางจับให้ดับไล่ให้ถันเอาแล้วเรื่องราวก็ใหญ่โตขึ้นมาแล้วที่นี่ลืมลุกไปว่าแค่ความิด แล้วก็เรื่องเก่าๆด้วยเป็นอดีตไปหมดแล้วลืมไปหมดเลยกลายเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วทีนี้นี่กำใหม่เกิดขึ้นแล้วมีอุปทานคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆเอาเข้ามาปรุงแต่งบ่อยๆเนี่ยเป็นอุปทานแล้วมันก็มาอยู่ในจิตนี่หละเป็นพบแล้วก็ปรุงแต่งวนเวทีเป็นชาติเมื่อมีชาติชาติปีทุ ข, ขาแล้วชาติชลาโมระ ถ้าร่างกายก็ชราเห็นชัดเจนมรณะนะคนจะตายก็เจ็บปวดทุกทรมานหรือสามัญยุติตายก็โศกะมีความเศร้าโศกปริเทวะร้องไห้ลำพึงลำพันทุกขโทมนัสสะทุกกายบีบขั้นกายด้วยบีบขันใจทุกใจอุปยาสะเหงอแท้งใจความทุกข์ตามมาทันทีเลยตั้งแต่อุปทานมาเป็นกรรมใหม่หมดเลย เริ่มสร้างกรรมใหม่แล้วปรุงแต่งวนเวียนอยู่ในจิตถ้าตายในขณะนั้นไปเกิดทันทีเลยปรุงแต่งเกี่ยวกับอะไรก็ไปเกิดเป็นนั่นหละไปไปตามอำนาจของกรรมกรรมก็คือว่านี่แหละกรรมในอดีตให้ผลแล้วเราควบคุมไม่ทนันมันก็มาปรุงสร้างกรรมใหม่วนเกิดวนเวียนอยู่ในจิตเรื่องเราก็เลยเวียนว่ายตายเกิด แล้วๆเราไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีนี้เอามาปฏิบัติธรรมที่นี่อะไรชัดดูก่อนร่างกายอยู่ยังไงรู้มีลมไหมอะไรชัดเจน ด, ดูเวทนามีไหมดูนี่คือให้จิตเนี่ยมันอยู่กับตัวเราแล้วให้มันเห็นว่าไม่ว่ารูปประคันก็ตามมันอยู่ของมันไม่ใช่ของเรา เวทนาขันโผมาอาวพึมันเพิ่งเกิดก็นั่งนานก็ทำดามันต้องเกิดที่เจ็บปวดขึ้นมามึนชาขึ้นมาอ้าวเป็นเวทนาขันกองแห่งเวทนาหรือเป็นเวทนาลูกปรสนาเศรษฐามีสติตามดูมันอ้าวทำง่ายเลยตามดูกายตามดูเวทนาจิตมันนึกคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอ้าวตามดูมันให้ทันทันแล้วมันจะดับไปเห็นความเกิดดับก็มาดูทำคือดูความเกิดดับดูความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูว่ามัน อยู่ของมันมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอันนี้ต้องหลักธรรมของพุทเจ้าหมดเลยมันก็เป็นเรื่องผัสสะทั้งนั้นแหล ะ, ะเกี่ยวกับใจกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมกายถ้ามองในรูปของการหน้ารูปหลายๆรูปรวมกันเป็นร่างกายเดียกวกับรูปประคันกองแห่งรูปรวมเข้ามาเป็นร่างกาย รูปใหญ่ๆก็คือมหาภูตะลุ่ทั้งสีบดินน้ำลมไฟถาดดินก็คือส่วนที่มันแข็งแข็งเป็นกลุ่มก้อนแทนที่ในอากาศได้ถาดน้ำมันเอิบอาบเป็นของเหลวส่วนใหญ่แล้วมันทำให้เกิดการกอะกลุ่มถาดลมมันเคลื่อนไหวพัดไปพัดมาถาดไฟเย็นร้อน ปูนช่วยย่อยอาหารเาผาผลาญให้ร่างกายชลาภาพรูปย่อยย่อยเช่นพวกหูตาจมูกหรือว่าส่วนเล็กๆของร่างกายเล็กลงไปเล็กลงไปเป็นอนุเป็นปรมาณูมีรูปใหญ่ให ญ, ใหญ่ๆมหาพุตธลูกถาดดินน้ำลมไฟแล้วก็รูปให่อหๆประกอบกันขึ้นมา เรียกว่ารูปประคันรูปคือธรรมชาติที่ต้องแตกดับและก็เสื่อมสิ้นสลายไปเออเป็นธรรมชาติเฉยๆนะรูปเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาดูก็คือดูให้ร้วนเป็นธรรมชาติมันอยู่ข้างมันไม่ใช่ของเราถ้าใครสามารถดูได้ก็แสดงว่าเริ่มเริ่มมีสติสัมปชัญญะแล้วเริ่มเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นสติปัฏฐานสี่แล้วเริ่มที่จะก้า ขึ้นไปสู่วิปัสนาแล้วเด๋ดูใบดูใบเฮ้ยไม่ใช่ของเราเห็นรับขึ้นมาในจิตรู้สึกขึ้นมาได้เหมือนกับว่าตัวดูเป็นอันหนึ่งสิ่งถูกดูเป็นอันหนึ่งมี่เริ่มแยกเริ่มเห็นพัตไตรลักษณ์แล้วเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วหรือว่ามันกําลังดูอยู่ปั๊บมันดับปั๊บไปนี่เห็นความเกิดดับแล้วหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปทางนู้นทางนี้นี่คือเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันมันก็เห็น เห็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงทุกขั้งมันทนอยู่ได้ยากมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเสื่อมสิ้นสลายไปเหมือนกันขึ้นอยู่ว่ามันชัดอะไรมันชัดแบบทุก cks, แบบดีทั้นก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นทุก cks. ทนอยู่ได้ยากก็คือทุก cks. เห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันเกิดดับก็เห็นอนิจจังเห็นว่าไม่ใช่ของเรามันอยู่ข้งมันชัดเจนแบบนี้เรียกว่าเห็นอนัตตา เมื่ออันนี้จังทุกขังอนัตตาแรกๆมันก็บางทีมันมันมันยังไม่เป็นในเดียวกันยังไม่พร้อมกันบางทีก็อันนี้จังชัดบางทีทุกขังชัดอนัตตาชัดแต่พอมัดมารวมตัวเมื่อไหร่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นนั้นเดียวกันทันทีเลยปั๊บเห็นอันจังก็เห็นทุกขังเห็นอนัตตาพร้อมกันเห็นอนัตาก็เห็นในอย่างทุกขังเป็นนั้นเดียวกันหมดเลย นีอันนี้เวลามันแก่ก้าขึ้นมามันจะชัดแจ้งชัดเจนพระนั้นจิตมีกําลังเนี่ยมันจะมาดูขันห้าได้ดูยิ่งดูจิตยิ่งมีกําลังสติก็มีกําลังเพิ่มสมาธิมีกําลังเพิ่มตาใจเหมือนกับถูกเปิดออกมามองดูการทํางานของขันห้ายิ่งตลอดสายเท่าไหร่จิตก็ยิ่งมีพลังเมื่อแปลกนะ ความง่วงความซึมหายหมดละ่ะกําลังนี้เหมือนกับมันถอยกลับเข้ามาหาตัวเองพลังจิตก็จะมีขึ้นพลังกายมีขึ้นแต่คอยระวังนะข้าศึกศัตรูนี่มันเก่งเหมือนกันอะ่ะเ อ, อพอเริ่มปั๊บใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มสร้างเวทนายึดๆขึ้นในร่างกายทันทีเลยนะมันจัดระบบของมันได้นะระบบประสาทของเรานี่มันมีมันกดตรงนั้นกดตรงแย่นั่นแย่นี่ จิตของเราก็วิ่งไปวิ่งไปปพบมันกระชิบอะไรนิดเดียวเท่านั้นแหละดึงจิตปั๊บไปหายว่าปไปเลยหลับเลยโอ้แก่ยากเหมือนกันนะพวกนี้โอ้ต้องได้เรียนรู้ได้ศึกษาต้องแหมจิตใจนี่ต้องเข้มแข็งต้องมุ่งมั่นบากบั่นจริงๆนะต้องหาทางสู้มันจนได้ละ่ะเพราะคนปฏิบัตินี่ในเมื่อมีฝ่ายธรรมะก็ต้องมีฝ่ายอาธรรมฝ่ายมาร ฝ่ายทำกับฝ่ายมารมันจะมีฝ่ายมารก็คือฝ่ายที่มันไม่อยากให้คนอื่นน่ ะ, จะเจริญก้าวหน้าในธรรมะถ้ามีคนอื่นเขาจิบสูงกว่าแหมมันเจ็บปวดนะพวกเนี้ยทนไม่ไหวเออเขาจึงเรียกว่ามารบางทีก็เรียกเจ้ากรรมนายเวรก็ได้เพราะว่าเราก็เคยเป็นมารเคยไป รบกวนเขาเคยไปบันทอนเขาถึงเวลาทีนี้เขาก็เอาคืนบ้างนะเราก็เคยเป็นมารมาดูกล้ดูเวทนาเวทนามาโอเวทนายินชัดเจนถ้าใครสู้ได้เพราะว่ามันมันมีความเจ็บปวด่มันบีบคั้นแต่ถ้าเราดูให้ดีถ้าจิตเราไม่ยินดีไม่ยินลายแสดงว่า จิตขอเราเป็นปกติความเจ็บความปวดความไม่สบายอันนั้นเป็นเรื่องของเวทนาทางกายเห็นหน้าตางเวทนาชัดเจนเพราะเวทนาเป็นอย่างนี้หรือมันเป็นทุกขเวทนาทุกมีคือทุกเริ่มเข้าไปดูอริย ส, สัจสีแล้วมีคือทุกให้กําหนดรู้นี่เราก็ต้องไปรู้สิทีนี้มีคือทุก ข, เ, ขเรียกสัจญ า, าน สัจญาณี่หมายว่าเห็นความจริงของมันนี้คือทุกเห็นตัวทุกเห็นหน้าตาของความทุกขมันบีบมันคั้นมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเรามันว่างเปล่ามันไร้สาระพวกนี้เป็นสภาวะทุกหมดเพราะนั้นทุกนี่มันจึงมองได้หลายแง่ถ้าทุก์ที่เราพูดกันส่วนใหญ่ก็คือว่ามันดีบคั้นบีนบคั้นกาวหยิบคั้นใจ ทาให้เกิดความทรมานทางจิตใจแล้วทุกทางกายอ่ะกายก็มีทุกข์เหมือนกันบางทีเราดูอยเฉยไม่บีบคั้นใจแต่มันทุกข์อยู่ในกายบีบคั้นกายนี่ก็เป็นสภาวะทุกข์อันหนึ่งมันบีบคั้นกายหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงของมันหรือว่ามันไม่ใช่ของเรามันอยู่ของมันบางทีไม่ได้บีบประคั้นอะไรมันอยู่เฉยมันอยู่ของมันจิตเราก็เป็นปกติอยู่ดูอยู่ไม่ได้ยินดียินร้ายกับมัน นั่นคือสภาวะทุกข์ไม่มีตัวตนจริงกิดชั่วข้าวเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวก็ผ่านไปนี่เราก็ดูเฉยๆดูเฉยๆนี่เห็นชัดเจนจิตเราก็มีกำลังเพิ่มขึ้นรู้เปรียบเทียบกับธรรมะของโก็กตงด้วยนี่คือทุกข์จิตที่ควรทำกับมันให้กำหนดรู้เพราะนั้นหน้าที่ของเราดูรู้รักษาจิตไว้ให้เป็นกลางเข้าไปดูเลยถ้ามันวางได้ดูแล้ว นี่คือกตายานทํางานเสร็จแล้วดูเห็นแล้วจิตรู้แล้วว่าทุกอันนี้ทุกเวทนานี้ไม่ใช่ของเรามันเลยวางเฉยพอวางเฉยจิตก็เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายทีนี้ถ้าเราเข้าใจแบบนี้ไม่ว่าทุกอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายที่นี่แบบเดียวกันหมด น, นี่คือทุกให้กำหนดรู้รู้เฉยๆเลยรู้แบบไม่ยินดีไม่ร้ายรู้ด้วยจิตที่เป็นกลาง รู้แล้วคือมันวางแล้วถ้ามันวางแล้วเหตุแห่งทุกเกิดไม่ได้มีสำคัญตรงนี้เลยตรงทุกเลยเพราะในเวลาพระเจ้าสอนอนยุยาตสีจึงต้องพูดทุ ก, ก่อนเลยต้องรู้ในทุกปัญญาที่แท้จริงรู้ในทุกรู้ในขันห้ารู้ว่าขันห้านี้เป็นทุกุรู้ว่าไม่ใช่ของเรารู้ว่ไร้สาระไม่มีแก่นสาร เียแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าไปเห็นกัว่ามันเปลี่ยนแปลงก่อนนี่คือสภาวะทุกข์อันหนึ่งเห็นว่ามันเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปจัจจัยของมันเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติพวกนี้คือเห็นความสภาวะทุกข์เหมือนกันพอะมันว่างเปล่าจากตัวตนเพราะนั้นทุกข์มันจึงมีความหมายว่าว่างเปล่าก็ได้ไร้าสาระก็ได้ บีบคั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้บางทีมาทุกข์ใจก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นบางทีเราอยากให้เป็นอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็กำหนดรู้เหมือนกันให้กาหนดรู้รู้ตรงสภาวะทุกข์นั่นแหละเพราะนั้นทุกข์แบบบีบคั้นก็มีบีบคั้นเจ็บปวดทุกข์ทรมาน นี่ก็ทุกอันหนึ่งนี่คือทุกข์ก็ได้นี่คือเหตุแห่งทุกข์ถ้าไปเห็นตัวตัณหาตัวที่มันดิ้นรนอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการก็จะได้ไว่เห็นเหตแห่งทุกข์ดูอีกเหตแห่ง hey ทุกข์ให้ละถ้าดูลงไปเดี๋ยวมันลขาขึ้นมันเองเพราะเราเหมือนเราเป็นผู้ดูแลมันก็ดับของมันไปละแล้วนี่ละแล้วจิตที่ควรทาสัจจญาณ เกี่ยวกับสมุทัยก็คือนี้คือสมุทัยนี้คือเหตุแห่งทุกข์หน้าที่ที่ควรทํากิจยานก็คือละเสียกตตยานได้ละแล้ววางแล้วทุกไม่มีที่นี่อยู่ที่เฉยแล้วจิตเราเป็นกลางเราจิตอะไรก็อยู่ตามธรรมชาติของมันทุกดับไปแล้วเขาเรียกว่านิโรธทุกขามิโลทะ ทุกดับไม่มีทุกแล้วทุกขสัตสมุทัยสัต ท, ทุกขนิโลนิโลทสัตว์ตอนที่เราพยายามดูพยายามเห็นมันอยู่ในปัจจุบันพวกนี้ก็เป็นมครคอริยมครคมีองค์แปดมีองค์แปดมรคทั้งแต่รวมเป็นหนึ่งแต่ก่อนนอ้ยสติ ก, กว่าจะมีขึ้นมา กว่าจะคุมจิตให้อยู่ได้สมาธิความเพียรก็กว่าจะมีกำลังกว่าจะเห็นว่าไม่ใช่ของเราได้แต่คราวนี้ปุ๊บไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตังอยู่ดาไปเร็วมากสติสมาธิปัญญาสตาความเพียงที่อยู่ด้วยกันหมดเลยสมาธิที่เห็นว่าไม่ใช่ของเราสมาสังกปะ อยากให้จิตเป็นอิสระอยู่ด้วยกันไปหมดเลยรวมตัวกันนี่แหละกาลังปฏิบัติอยู่นี่แหละนี่คือมรรคนี่ที่ปฏิบัติอยู่นี้นี่คือมรรคหน้าที่ก็คือว่าจเจริญให้มากปฏิบัติให้มากเพราะนั้นไม่ต้องอยากปฏิบัติให้มากมากปฏิบัติแล้ว ถ้าความดับทุกข์ทุกมันดับไปก็ต้องรู้ว่านี่คือความดับทุกข์ á, มัน ม, มีทุกข์แล้วนี่มันดับไปแล้วนี่นี่คือความดับทุกข์ดับจากจิตเราแล้ ว, ลวไม่มีทุกข์เกิดขึ้นในจิตแล้วนี้คือความดับทุกข์ทำให้แจ้งดูมันเลยมันไม่มีทุกข์นี่มันสบายยังไงอะ่ะโอ้โหถ้าหากว่าเราไม่มีทุกข์เข้ามากั้มกายจิตเราได้โอ้โหแค่ได้ขนาดนี้เรายังสบายขนาดเนี้ย แล้วทุกข์ไม่เกิดอีกเลยมันจะเป็นยังไงโอ้โหมันเหนียวปนิพัน์เลยนะนี่นี่มันจะอยากจะพ้นไปสิทีนี้ไม่อยากให้อะไรมันบีบคั้นให้เป็นทุกข์ได้อีกต่อไปแล้วนี่คือมีโลดนี่คือความดับทุกข์นี่คือทุกข์ที่ดับไม่มีทุกข์ในจิตทำให้แจ้งดูให้ชัดเลยแจ้งแล้วก็วางเฉยทีนี้ มักก็จเจริญให้ยิ่งทำปฏิบัติแล้วเบื้องต้นนี่ล่ะเอาสูว่าเรากําลัง้บริกรรมอยู่นี่พุโทโธพุโทโธเป็นมักใดไหมเป็นมักเบื้องต้นได้อยู่ก็ขั้นต้นไงขั้นต้นก็อย่าพึ่งไปโอ๊ยทําไมเราจึงไม่เห็นนะไม่รู้อ่ะท่านพูดอะไรเราไม่รู้ก็ไม่รู้สิเพระว่าจิตของเรามันอยู่ขั้นต้นอยู่ เ, เราก็ทําขั้นต้นก่อนอถ้าหาว่ามัน มันทํำยังไงอะมันถึงจะอยู่ก็ทามันห่างๆอ่ะพุทโธช้าๆเออมันมันมันโดดออกไปเร็วก็ต้องพุทโธเร็วหน่อยอ่ะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆหน่อยเพราะว่าเหมือนเสือเรากกงเราห่างๆอ่ะมาจับเสือไว้ได้แต่ที่ทํากงทำรั้วแต่รั้วห่างที่นี่ไอเสือก็เล็ดลอดออกไปอ่ะที่เรไปหากินเหยื่ออีกแล้วจับมาใหม่ จับมาใหม่เขานี่ทำโกงให้ทีขึ้นมันออกไม่ได้ไม่ออกไม่ได้ก็คือผู้โทมันที่ขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นเอาให้อยู่ให้ได้เสือก็ออกไปไหนไม่ได้เสือออกไปไม่ได้มไม่ได้กินเหยื่อมันก็ผอมลงผอมลงมันหมดแรงเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ไปไหนไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรเพราะเราอยู่ในขั้นนี้ก็เอาขั้นนี้ก่อนมันก็ปฏิบัติง่ายเดี๋ยวเราจะหยุดละ ตั้งใจนะดูสุดท้ายล้เหมือนตับวู่ชาพระพุทธเจ้านี่แหะทําหน้าที่ของสาวกของพระพุทธเจ้าทําตามที่พระเจ้าสอนเอาเตรียมสอนตัวเองนะสอนตัวเองตั้งใจข้าพระเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไป คอยข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอิยะศัจธรรมชนพ้นจากตัวในวัฏสงสารได้เถอดแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญนะให้อุทิศบุญเองเลยนะวันนี้พอแค่นี้นะ